เราเนี่ยจะดีเหนือกว่าคนอื่นเขาอยู่เรื่อยเลยเหรอทั้งๆที่บอกแล้วว่าบางทีโอ้โหบางคนมาบวชก่อนเราอีกเอหรือมาปฏิบัติธรรม่อนเราอีกโอ้โหอายุประสบการณ์เอา้าบางทีฟังเทศฟังธรรมก็เยอะกว่าเราอีกโอ้โหหลายๆแง่มุมอย่างเงี้ยเอยก็ไอ้นั่นกว่าเราทั้งนั้นเลยเอ่ไอเราเนี่ยยังจะเผลอไผลไปคิดว่าเอยอันเนี้ยเราเหนือกว่าท่านเออาตมาว่าบางทีแหม คุณคุณหัดลองย้อนมาคิดอย่างที่อาตมาบอกตรงนี้บ้างหรือเปล่าบางทีถ้าคุณย้อนคิดอย่างที่อาตมาบอกนี่นะเออจะลดลงได้นะอาตมาใช้วิธีนี้อยู่บ่อยไปที่ ท, ที่มาย้อนคิดกับตัวเองเพราะหลายอย่างหลายครั้งที่บางทีเอาแล้เริ่มแล้วมันเชื่อมั่นมา่าตัวเองเนี่ยคิดอย่างนี้ดีกว่าถูกกว่ามีอีกวิธีหนึ่งคืออย่างเราเนี่ยมันไม่ใช่ เป็นระดับที่หัวแล้วอะ่ะไม่ใช่ระดับที่สูงสุดอะไรแล้วมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าคุณยกให้ได้มากเอากูบาอาจารย์หรือผู้ที่เราเชื่อมั่นว่าอย่างน้อยน้อยเนี่ยท่านน่าจะสูงกว่าเราอะ่ะคุณยกให้ได้มากถ้าคุณยกให้ได้เนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าเอ้เราจะหลงตัวเรื่องอะไรเนี่ยนะแล้วคุณเองคุณก็ยังหาคาตอบให้กับตัวเองไม่ได้คุณเข้าไปถามครูบาอาจารย์หรือคุณเข้าไป ถามผู้ที่เราคิดว่าทั้งภูมาทำทั้งการประพฤติปฏิบัติมาเราเชื่อว่าเหนือกว่าเราแล้วคุณยอมรับตามที่ท่านแนะนำหรือตามที่ท่านาแสดงความคิดเห็นต่างๆนะให้กับเราได้ไหมเ <c oughs> นี่ยมันต้องตัดลอกกันตรงนี้ให้ได้ <c oughs> หลายอย่างนะที่บางทีเนี่ยไม่ต้องอึดไกาอาตมาบางครั้งเนี่ยฟังพ่อตันเทศ บางเรื่องเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะที่เราอ่านตำรับตำลามาหรือเราคนความาศึกษามาบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะ อ, อ, อ, อันนี้มันเหมือนเหมือนพ่อจะพูดไม่ค่อยถูกน ะ, <c oughs> ะบางทีเรายังมีเลยใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันมันจะถูกหรยออย่างเงี้ยแล้วมันจะสงสัยอยู่เรื่อยน ะ, ะถ้าอย่างนั้เนี่ะแล้วยิ่งอาตจมาบอกแล้วถ้าคุณมีอัตมานะอยู่นะ พ่อท่านกับพ่อท่านเถอะมาบอกได้เลยคุณก็ยังคิดว่าเอ้ยอันเนี้เราว่าเราน่าจะถูกมากกว่าเออเอาจริงๆเจีย ง, งแต่ว่าใครเนี่ยจะโกหกตัวเองไหมเท่านั้นเองอ่ะมันจะมีจริงๆยิ่งโดยเฉพาะเรื่องไหนเนี่ยที่เราคิดว่านะประสบการณ์ชีวิตเราหรือคุณชํานาญเรื่องไหนมาอ่าคุณจะยิ่งเชื่อมั่นตัวเองมากเลยในเรื่องนั้นแล้วคุณจะคิดเลยนะ เนี่ยพ่อท่านหรือสมณะผู้ใหญ่เนี่ยโอ้ยท่านไม่ได้ผ่านเรื่องนี้มาเท่าเราหรอกเรื่องนี้เราผ่านมามากกว่าเรื่องเนี้เราจะรู้ดีกว่าอ้าวจริงจริงเหมือนกับเรามาชอบพูดบ่อยนะอย่างบางคนเนี่ยที่แต่งงานแต่งการมีครอบครัวเสร็จแล้วก็เอากลับมาเล่ามาคุยกับสิกมาศบ้างสมณะบ้างหรือสมณะบ้างพอมาเล่าเสร็จอ่าสมณะก็บอกว่าเอออย่างเงี้มันทุกข์เนี่ยคุณไม่ถูกหรอกคุณจะต้องอย่างนี้อย่างนี้ พูดไปพูดมาเสร็จอ่าโยมไม่ยอมเชื่อละเพราะโยมว่ายังไงท่านยังไม่ได้แต่งงานมาเลยแล้วท่านจะรู้ดีกับผมได้ยังไงอา้าวแล้วที่ตอนนี้ยเริ่มและเอ้าไ อ, อ้นนั้นอ่ะใช่ก็ไม่จําเป็นต้องแต่งงานหรอกบางทีอ่ะแต่รู้ทุกจะมารู้ดีกว่าคุณแน่แหละเอารูกกิเลสเนี่ยรู้ดีกว่านะแต่ว่าโยมเนี่ย หลงน ะ, ะคือคือไปเข้าใจอยู่แต่ว่าก็ตัวเองแต่งงานมาตัวเองมีลูกเต้ามาบางทีชอบพูดนะนะพอพอเวลาอนักบวชบอกไปว่าโอ้โยมไปมีลูกมันทุกข์อย่างงั้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ควรแก้ไขปัญหาอย่างงั้นอย่างนี้โยมบอกโอ้ท่านจะมีลูกได้ไงถ้าไม่เคยมีลูกมาท่านจะจะรู้เหรอทุกข์มันยังไงขนาดไหนบ้างอ้าวเอ ซึ่งจริงๆแล้วนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะอัตมาถึงบอกเนี่ยบางทีมันมันเผลอได้แล้วมันก็หลงได้เพราะเราคิดว่าอย่างเนี้ยเราชำนาญกว่าจริงมันมีส่วนของความจริงอยู่ด้วยนะว่าเราชำนาญกว่าเรา ร, เรารู้เรื่องนี้ได้ดีกว่าอ่าเพราะนั้นมันจะพาเราหลงได้ซึ่งจริงไอโดยไปแต่งงานแต่งการเอ้าจะไปรู้ดีกว่าคุณได้ไงไออันนั้นไม่รู้แน่แหละ แต่เรื่องที่จะให้คุณพ้นทุกขมาเนี่ยชะมาให้คุณดับทุกข์ให้ได้นี่อันนี้เนี่ยท่านรู้ดีกว่าแน่เพราะท่านปฏิบัติมาได้ได้เหนือกว่าแล้วอ่ะได้สูงกว่าแล้วอ่ะจริงๆถ้าคิดย้อนไปหน่อยตัวเองก็จะรู้ว่าโธ่เอ้ยยังติดแงกอยู่เลยอ่ะตัวเองอนะยังยังดิ้นไม่หลุดเลยแล้วอย่างเงี้ยจะไปรู้ดีกว่าจะไงแต่ในขนาดผู้ที่ท่านดิ้นออกมาได้แล้วอ่ะท่านไม่ต้องไปมีอย่างนั้นนะใช่ไหมจริงๆท่านท่าน หลุดออกมาท่านสูงกว่าแล้วท่านเหนือกว่าแล้วแล้วท่านกําลังจะบอกย้อนกลับไปให้ฟังว่าเออมันไม่ควรมียังไงหรือว่ามันทุกขยังไงอะไรน่าจะแต่อัตมาบอกแล้วเห็นไหมถ้าคุณไม่ระวังตรงเนี้ยคุณจะเผลอตรงเนี้อยู่เสมอเลยซึ่งตรงเนี้ยอัตมาจะต้องพยายามระวังระวังมากๆถึงบอกว่าจะต้องคอยเตือนตัวเองระวังเถอะยิ่งไอ้เรื่องไหนที่คุณชํานาญน่ะที่คุณคิดว่าคุณรู้มากๆไอ้เรื่องนั้นแหละคุณระวังให้ดีเถอะ ไอความดือ้อความถือดีของเราความอวดดีของเรามันจะเกิดขึ้นในเรื่องนั้นส่วนเรื่องไหนคุณไม่เก่งเรื่องไหนคุณไม่ชนานาญปุ๊บเถอไม่ค่อยกล้าพูดอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องไหนที่เราไม่เก่งไม่ชนานาญเนี่ยโอโ้โหอะไรอ่ะไปสูหกอ่ะไปยอมอยู่แล้วอ่าอ่า อ, อ, อันนี้จะทำยังไงอ่ ช่วยแนะนำหน่อยนะช่วยบอกหน่อยนะอะไรคุณยอมอยู่แล้วเพราะคุณไม่ชำนาญแต่เรื่องไหนคุณชำนาญเนี่ยเรื่องไหนที่คุณคิดว่าโอ้าอย่างที่ฉันทามาเยอะแล้วเอาละมันเริ่มลเะเผื่อไม่ได้เผอเมื่อไหร่เนี่ยทันทีเลยนะโดยเฉพาะจิตของเราเนี่ยไวมากจิตมันจะทำงานก่อนเลยโเนี่ยเขาเพิ่งทำมาสักเท่าไหร่กันโหเรานี่ เพดานบินมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะเรื่องนี้แม่ส่วนคนนี้โอ้โหเพิ่งทํามาปีสองปีนองไม่มีทางอ่ะไม่มีทางสู้เราอะ่ะ ท, ทั้งที่ความจริงไม่ใช่นะอาตมาบอกแล้วว่าจะเอาแต่อายุความยาวหรือว่าอายุของวัยเพียงอย่างเดียวแล้วเราก็มามาบอกว่าสรุปอะ่ะสรุปว่าเราเหนือกว่าเขาเลยไม่ได้หรอก เพราะบางทีเข้ายุน้อยกว่าเราก็จริงชาตินี้เนี่ยเขาทํามาแค่ปีสองปีก็จริงแต่บางทีเนี่ยเขาทํามาชาติที่แล้วเนี่ยจะเยอะกว่าเราอีกนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นบางทีความชํานาญเนี่ยข้าจะมีมากกว่าเราก็ได้เสร็จแล้วเขามาทําแค่ปีสองปีเนี่ยเขาชํานายิ่งกว่าเราอีกเราอาจจะแหมเพิ่งมาเริ่มสะสมไอ้เรื่องนี้เมื่อชาตินี้เองก็ได้ไอ้สิบปีของเราเนี่ย เพราะนั้นอันนี้เนี่ยมันมันสรุปไม่ได้เผลอๆบอกแล้วบางทีเขาสูงกว่าเราไม่อย่างนั้นเนี่ยสังเกตไหมว่าบางทีบางคนเนี่ยแค่อายุน้อยๆ ย, ยิ่งๆเราศึกษาประวัติภาษาวกอะไรต่างๆจะเห็นเลยบางทีอายุน้อยๆแค่เจ็บแค่เจ็ดขวบเท่านั้นนะบรรลุธรรมได้เงี้ยโอ้โหคุณเอ้ยก็แค่เจ็ดขวบเองบรรลุธรรมเราตอนนี้อายุเท่าไหร่ อ๊อาตมา ก, ก็ก็ชอบคิดอยู่เรื่อยนะว่าโอ้โหแก่ขึ้นเรื่อยๆไปแก่ขึเรื่อยๆยังไม่บรรลุสัก ท, ทีคิดอยู่เหมือนกันนะแหมบางทีก็ไม่ชอบไม่ชอบการรอคอยแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็พยายามแล้วมันก็แหมมันก็ยังไม่รู้ทีนะไอหยาบหยาบเนี่ยนะที่เราพอปฏิบัติได้มาแล้วเนี่ยหลุดง่ายมาก ยาบหยาเนี่ยคุณจะหลุดง่ายมากเลยแต่ไอันละเอียดละเอียดขึ้นเนี่ยนะรู้ก็ยากแล้วพอรู้แล้วจะสลัดให้หลุดก็ยากยากมากๆอาจารยึทบอกโอ้โหมาณะอัตาเนี่ยถ้าคุณรู้เมื่อไหรนะ่นะวันมันยากขนาดไหนอะคุณจะอืคุณจะอยากระวังตัวนี้มากๆเลยเพราะไอ้ที่บอกแล้วไอ้ที่บางทีอ่ะที่บอกว่าอ่าอย่าไปสรุปคนอื่นนะ อในหลักสูตรมหาสันย์เนี่ยอย่าไปสรุปคนอื่นนะถ้าจะสรุปก็สรุปตัวเองถ้าจะสรุปนะสรุปตัวเองไม่ต้องไปสรุปคนอื่นเขาหรอกเนี่ยเนี่ยเป็นการฝึกเพื่อที่จะมองกิเลสไอ้ตัวละเอียดละเอียดของเราเนี่ยให้เจอให้ได้นะมันจะได้แบบว่าไม่ไม่คลาดเคลื่อนหรือไม่ผิดพลาดไปซึ่งสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ ต้องฝึกจริงๆใครไม่ฝึกเนี่ยอาตรมาบอกได้เลยใครที่มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมแล้วคุณก็ได้หยาบๆแล้วคุณสบายแล้วเนี่ยนะรับรองเลยคุณจะหลงคุณจะหลงกามบอกล่กามโทสะอะไรพวกนี้นะคุณเบาบางไปได้แล้วยิ่งคุณมาอยู่ในแวดวงแวดล้อมเนี่ยโอ้โหอะไรเกื้อกูลคุณเยอะเลยหลายอย่างนะ ทั้งศีลทั้งวินยัยทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันควบคุมเราไว้ดีพอสมควรจนกระทั่งโทสะกับกามอะไรต่างๆนี่แหมมันพูดง่ายว่ามันถือไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่นะมันค่อนข้างโดนสภาพแวดล้อมของหมู่กลุ่มเนี่ยควบคุมเอาไว้ได้มากแต่อัตตามานะนี่โอ้โหควบคุมยากควบคุมยากจริงๆมายืนยนัน เพราะนัพวกคุณเองก็จะเจอบ้างแหละไม่บ้างอะ่ะที่จริงเจอมากเลยล่ะกูจะเจอแล้วก ร, กระทบกับคนนั้นกระทบกับคนนี้หรือแม้กระทบกับฐานะที่ต่างกันบางทีกูจะนึกเลยว่าโอ้โหทําไมอย่างนี้ทําไมเป็นอย่างนี้อาจามา ถ, ถึงได้พยายามบางทีแก้ปัญหาพวกเราเนี่ยถึงได้บอกว่าพยายามใช้ระบบมูกลุ่มเอาเข้าที่ประชุมบ้าง แล้วก็ใช้องคงรวมเนี่ยแก้ปัญหาเพราะเรื่องอัตามานะเนี่ยอัตมาพูดบ่อยมากเลยว่าวิธีการขององคงรวมเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องอัตามานะเนี่ยมากเพราะว่าให้ตัวต่อตัวเนี่ยคุณยอมยากอัตามานะมันจะขึ้นสูงแต่ถ้าหมู่กลุ่มเนี่ยบางทีคุณไม่ค่อยกล้าชนเพราะคุณรู้ว่าคุณต้องอยู่กับหมู่กลุ่มนี้ใช่ไหมถ้าหมู่กลุ่มเอาอย่างนี้ถ้าคุณยังยอมไม่ได้คุณอยู่กับหมู่เขาไม่ได้แน่มันคุณต้องหลุดแน่นอน เพราะนั้นเมื่อยังอยากจะอยู่กับหมู่กลุ่มนี้มันไม่มีทางอื่นนี่เลยต้องยอมแม้ว่าบางทีใจอาจจะยังไม่ค่อยยอมนะแต่เมื่อเราจะอยู่กับหมู่นี้หมู่ก็พูดง่ายว่าก็เหมือนกับสภาพบีบบังคับให้เราต้องยอมอ่ะก็เราจะอยู่กับเขา่เราก็ต้องยอมเขาอ่ะเพราะฉะเนี่ยสภาพของขององค์รวมเนี่ยจะแก้เรื่องกิเลสที่ถีมานะตัวเนี้ยได้สูงแล้วก็ได้มากเพราะะนัอาตมา ผูดให้แย่คิดคุณอีกอันหนึ่งนะคนที่ไม่บางทีเนี่ยไม่ค่อยชอบเข้ารวมหมู่รวมกลุ่มแบบไม่ไม่ค่อยชอบเข้าการประชุมไม่ค่อยชอบในการที่จะอะไรอ่ะแสดงความคิดเห็นโหวตตัดสินอะไรพวกเนี้คุณระวังเถอะนั่นแหะมันจะมีอัตรา ม, มานะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณลองเข้าระบบหมู่กลุ่มอยู่เรื่อยๆเข้าอยู่บ่อยๆนะ แค่คุณเข้าเรื่อยๆคุณเข้าบ่อยๆอะ่ะเดี๋ยวคุณคุณได้รับจากของจริงเองเพราะอาตมาเองนี่ก็แหมเห็นกิเลสตัวนี้ได้ชัดเลยขนาดเราไม่ต้องเสนอไม่ต้องแสดงความคิดเห็นเองหรอกนะอะเดี๋ยวคนโน้นแสดงคนนี้แสดงเสนอกันะยะตินั้นยตินี้ออกมาแค่เราฟังฟังแล้วเดี๋ยวเราเลือกอะ่ะเดี๋ยวเราเลือกเอายติไหนที่เราจะยกมือโหวตให้เนี่ยอ่าบางทีเนี่ยโหวตยกขึ้นมาโอ้โห มีเราแค่ไม่กี่คนใช่ไหมน้องนั้นเขาไม่เอาด้วยเลยโอ้โหบางทีแค่อันเนี้คุณจะได้ละคุณจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหทําไมคนอื่นเขาไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับเราเลยนะทําไมเขาเอาอย่างอื่นกันคุณเริ่มแล้วคุณจะได้เริ่มเริ่มได้ฝึกละได้ได้ปรับจิตละถ้าใหม่ๆนะคนที่ไม่ค่อยรู้ตัวบางทีน้อยใจนะบางทีเสียใจนะว่าโอ้โหทําไมเขาไปคิดอย่างโงนะ่ทําไมเขาไม่คิดอย่างเราเลย เหี่ยวใจเลยนะบางคนเนี่ยบวดแพ้มานีะเหี่ยวใจ <c oughs> นั่นน่นนะให้รู้เถอะเนี่อนนะอัตามานะของเรามันยังมีอยู่เยอะนะสายที่ยังสายไม่รุนแรงเนี่ยจะมาเหี่ยวใจแต่พอสายที่ยังอารมณ์รุนแรงอยู่ไม่เหี่ยวใจหรอกแต่คิดเลยนะอืมเนี่ยพวกเนี้ยใช้ไม่ค่อยได้ <c oughs> เอาแล้วเริ่มแล้วโอ้โหแบบก้าวร้าวแล้วไม่ยอมหรอกวงนี้ไม่ยอมออกจากที่ประชุมแล้วเดี๋ยวก็มาตั้งวงใหม่หาหาพวกเพิ่มคือไม่ยอมเดี๋ยวก็ต้องมาหาพวกเพิ่มเพอเพอก็หาพวกเพิ่มเพื่อที่จะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาทางโหวตใหม่ให้ได้จะต้องเอาอย่างนั้นให้ได้ต้องเอาอย่างนี้ให้ได้อะจะเห็นเลยแล้วนั่นแหละอัตมาถึงบอกไปสังเกตดีๆมันจะเห็นอัตตามานะของเราค่อยค่อย ก็ดึก็ดึกก็ใกลคลรบคลานออกมาให้เราเห็นแต่คุณจะรู้ตัวไหมเท่านั้นเองถ้าไม่รู้ตัวเนี่ยบอกแล้วว่ากูโดนกลืนไปเรื่อยๆุณไม่รู้หรอกแต่คุณก็นึกว่าเนี่ยทาเพื่อมูกลุม่มทำเพื่อความดีทำเพื่อความถูกต้องคุณก็คิดอย่างนั้นนะ่ะนะคือคือมันเหมือนกับตาที่มันมองเห็นโลกเนี่ยมองเห็นด้านเดียวอะ่ะอีกด้านหนึ่งมันมองไม่เห็นละเห็นแต่ด้านที่ตัวเองจะมองอะ่ะ ส่วนอีกด้านหนึ่งช่างอะไม่รู้แล้วมันมันคิดไม่ออกแล้วมันก็ไม่คิดด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เห็นอีกด้านหนึ่งละ ว, วันท้าเป็นอย่างเนี้นะ่ะโอ้โหวางได้ยังไงอวางไม่ลงจนกว่าอาจามาบอกแล้วจนกว่าคนเนี้ยเริ่มรู้สึกตัวแล้วคราวนี้เริ่มมองมาที่กิเลสของตัวเองเอกตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเรา แล้วทำไมเรามีอารมณ์มีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยอาการน้อยใจบั่งอาการไม่ยอมบ้างอาการก้าวร้าวมั่งนะเอ้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นมาจากกิเลสทั้งนั้นแหละถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยไม่มีกิเลสตัวพวกนี้คุณไม่มีอาการพวกนี้เกิดขึ้นั้นคนที่ยังมีอาการพวกนี้เกิดขึ้นอยู่มีกิเลสพวกนี้อยู่เพียงแต่คุณจับกิเลสตัวนี้ได้ไหมเห็นเห็นหน้าตามันไหม ว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงถ้าเห็นได้ถึงบอกจะแก้ได้แต่ถ้าไม่เห็นแก้ไม่ได้นักบวชก็นักบวชเธอคาราวะก็คาราวะเธอไม่เห็นก็แก้ไม่ได้เพราะบางคนเนี่ยช้านานจะติดแงกโดยเฉพาะตัวเนี้ยจะติดแงกช้ามากเลยยากโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นระดับ เ, เป็นผู้ใหญ่หน่อยหรือว่าเป็นพี่เขาอ่ะ เป็นผู้บริหารขึ้นมายิ่งต้องระวังเรื่องนี้ให้มากๆเพราะถ้าไม่ระวังมันจะหลงเพราะว่าลักษณะพวกนี้มันจะมีอำนาจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมันจะมีอำนาจมีอะไรอะ่ะเรื่องของความอะไรอะ่ะมันเหมือนกับเป็นผู้บริหารอย่างเงี้ยมันจะมีที่จะเปลี่ยนแปลงอะนั่นเปลี่ยนแปลงอนไนี่มันจะมีพลังในการที่จะใช้ออกไปเพราะถ้าเรา เราไม่ระวังกิเลสตัวพวกนี้ให้ดีบางทีใช้ออกไปแล้วมั น, ม, นมีปัญหาเยอะมันจะสร้างปัญหา ม, ม, มันไม่ใช่ลดปัญหาปัญหามันจะมากขึ้นเพราะคนอื่นเขาก็จะไม่ยอมเหมือนกันแล้วยิ่งถ้าคนอื่นส่วนใหญ่เขาไม่ยอมเนี่ยโอ้โหคราวนี้เดือดร้อนแน่แนนะซึ่งอันเนี้ยพูดให้ฟังในเรื่องของของความดือ้อนะดื้อเนี่ย ธรมพระธรมพระใบว่าดือ้อเคยมีขออภัยนะอันนีย้ยกท่านเป็นตัวอย่างมีสมณะอาโศกเคยมีอยู่รูปหนึ่งจริงๆท่านกระชายาปกติธรรมดาเนี่ยแหละจนกระทั่งดื้อมา ก, มากเขา้าดื้อมา ก, มากเขา้าหมู่กลุ่มเตือนหมู่กลุ่มบอกก็แล้วอะไรก็แล้วท่านก็ยังทาอีก เดี๋ยว ด, ยวดยวีหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ทำอีกทำไอ้อย่างที่หมู่กลุ่มเขาเตือนแล้วเขาห้ามห้ามไปแล้วจนในที่สุดตะหลังโอ้โหมากๆเข้ามากมากเข้ า, า, า, าพอท่านเลยตั้งฉายาให้ใหม่เลยคนนี้ตั้งฉายาให้ใหม่เลยตั้งว่าอาถามพระอาถธมพระโกตั้งให้ใหม่เลยแปลว่าอ่ะก็ไม่ คืออย่าดื้อนะอย่าดื้อนะโอ้โหคุณคิดดูสิจนกระทั่งจะต้องโดนตั้งชื่ออย่างนี้นี่คุณดูหนักแค่ไหนนะโอ้แต่แปลกอยู่อย่างนะอาตมารู้สึกว่าโอ้ดูท่านก็ไม่ค่อยจะเดือดร้อนอะไรนะเออมันแปลกตรงเนี้ยนี่แหละอาตมาถึงบอกมันรู้ตัวกันยากคุณเข้าใจมนันมันรู้ตัวยากนะจริงก็ดูหมองๆลงไปนะไม่เหมือนกับนายฉันนะอะพระฉันนะที่ ที่ตะกี้ยกตัวอย่างให้ฟังโอ้โหนะั่นร้องไห้เลยอันนี้ไม่ร้องไห้เ <c oughs> ออก็ก็พยายามเหมือนกันนะบางทีก็เห็นนะว่าเออพยายามจะปรับพยายามจะแก้แต่เนี่ยบอกแล้วถ้าใครเนี่ยนะยังทิฐิยังเหมือนเดิมอยู่ยังยึดอยู่แล้วก็พูดง่ายว่าการที่จะสู้กับจิตใจของตัวเองการที่จะฝืนฝืนไอ้กิเลสอยากของตัวเองอ่ะที่อยากจะทําอย่างงี้อยากจะเอาตามใจเนี่ย คนไหนเนี่ยฝึกมาน้อยแล้วก็ไม่ค่อยบังคับใจตัวเองสักเท่าไหร่พอมันถึงเวลาบังคับไม่อยูอ่การตามใจตัวเองที่เราสะสมมามากเนี่ยมันจะดึงไปเรื่อยดึงไปเรื่อยดึงไปเรื่อยทำให้คุณฝืนไม่สาเร็จเนี่ยอาตมาก็เห็นท่านเนี่ยก็รู้สึกโอ้บางทีดูดูเหมือนเออท่านก็พยาพยามพยายามพยายามแต่พยายามไปพยายามมาเนี่ยคือจริงๆมันต้องใช้ความพยายามสูงมากไ เ, เพราะเราไปสะสมมานหนักะ เราจะต้องใช้กําลังสูงเลยทีเดียวที่จะปรับแก้มันต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความมุมานะความพยายามโอ้โหนะคุณต้องฝืนจริงๆฝืนให้เต็มที่พูดง่ายตายเป็นตายอ่ะคุณจะต้องถึงขั้นอย่างนั้นเลยมันถึงจะฝืนฝืนมาได้ทีละนิดทีละหน่อยจนกระทั่งค่อยๆเบาบางลงจนกระทั่งสําเร็จได้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันกินเรามาโอ้โหไม่รู้อาตมาบอกแล้วนะบางทีไม่ใช่แค่ สิบปียี่สิบปีไอตอนคุณเกิดชาตินี้นะบางทีไอชาติก่อนก่อนนู้นมันก็กินคุณมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะมันถึงได้เหนียวแน่นอย่างเงี้ยมันถึงได้หนังเหนียวจนกระทั่งโอ้โหเรานี่จะเฉือนมันจะอะไรมันรู้สึกไม่ค่อยเข้าเลยนะมันเหมือนกับมันลงยันเอาไว้อะน้าเฉือนมันไม่ค่อยเข้าเลยไอไอกิเลสพวกนี้ไว้อันเนี้ยเหมือนกับอาตมายกจะอย่างง่ายๆกับพวกเราก็จะ คุณไปดูหน้าอย่างไหนอ่ที่คุณชอบปล่อยเรื่อยคุณชอบปล่อยเรื่อยทั้งที่คุณรู้ว่ามันไม่ค่อยดีหรอกยกตัวอย่างง่ายที่สุดอย่างบางคนเวลาตื่นนอนเนี่ยบางคนตื่นนอนตอนเช้าไม่รู้ว่าตอนไหนก็แล้วแต่แต่ติดนิสัยที่ว่าพอตื่นมาแล้วเนี่ยจะแบบอะไรอะ่ะงวงงอย่างงีง้อ่ะตื่นมาแล้วก็แบบไม่ค่อยอยากจะลืมตานะเอะหรือบางทีลืมตาขึ้นมาหน่อยแต่แล้วก็ ค่อยๆลงมาอีกเนี่ยบางคนน่ะทำอย่างเงี้ยแล้วก็ทําอยู่บ่อยทําอยู่บ่อยทําอยู่บแล้วมันจะค่อยๆติดมันค่อยๆซึมค่อยๆซึมค่อยๆซึมค่อยๆซึมแล้วคราวเนี้ยพอตาหลังเนี่ยเรารู้ว่าเอ๊ะอย่างเงี้มันไม่ค่อยดีนะมันน่าจะตื่นแล้วก็กระโดดผึงขึ้นมาเลยนะแต่ปรากฏว่ามันทําไม่ได้ทั้งๆที่บางทีเนี่ยพยายามสั่งใจพยายามบังคับใจจตมันทําไม่ได้เพราะไอ้ที่เราไปสั่งสมไอ้ถีนามิทะ ไอตัวความหลีความซึมความง่วงเนี่ยเราสะสมมามากท่านสังเกตไหมว่าบางครั้งเนี่ยพอเรารู้สึกว่าไอ้กิเลสตัวหลีตัวซึมตัวง่วงเข้ามาแล้วบางคนเนี่ยโอ้โหสลัดยากมากเลยไม่ค่อยหลุดเลยเพราะคุณไปติดมาม า, มากเนี่ยพอเวลา ง, ง่วงเนี่ยเราก็ชอบปล่อยมันไงชอบปล่อยหรือทําไมปล่อยเนี่ยเขาเรียกเหมือนกับเคยตกปลาไหมเขาเรียกปลามันตอดเหยื่อปลามันตอดเหยื่อไม่รู้เข้าใจคํานี้ไหมอ่ะ คนตกบาก็คงจะรู้นะเอสมมติว่าเรามีเหยื like anyway. Normally, ่อหย่อนลงไปในน้ําถ้ามีทุ่นเห็นหน่อยนะเราจะรู้สึกทุ่นมันกระตุกกระตุกกระตุกกระตุกอยู่เรื่อยๆนะอยู่เรื่อยๆมันต่อทีนี้ทีนิดทีนิดจนเหยื่อเราหมดอ่ะนําเหมือนกันเนี่ยเวลาเราง่วงขึ้นมาเนี่ยเราก็อ่อยๆค่อยๆคือทําำัปจะตื่นเนี่ยมันไม่ตื่นหรอกนะแล้วก็สลึมสลือไปเรื่อยสลึมสลือไปเรื่อยปล่อยไปเรื่อย ปล่อยไปเรื่อยปล่อยไปเรื่อยนะต่อไปเรื่อยต่อเล็กต่อน้อยต่อไปเรื่อยปล่อยมันปล่อยมันบางทียิ่งฉันอาหารเสร็จอยิ่งกินข้าวเสร็จแล้วเงี้ยบางทีก็เอาแล้วนะอะไรนะแปลงฟันเสร็จหรือว่าอาจัด ก, การธุรกิจอะไรเสร็จภารกิจแหมไม่ใช่ธุรกิจ <laughs> จัด ก, การภารกิจเสร็จเอาแล้วบางที ไปนั่งตรงนั้นหน่อยยิ่งลมพัดมาเย็นๆเอาละเริ่ม An K เอ็นซ้ายเอ็นขวาเอ่แล้วก็จอมอยู่อย่างนั้นน่ะคือมันชอบปล่อยหรือบางทีคุณจะไปนั่งทํางานที่จุดไหนของคุณก็ตามแต่พอพอความหลีความง่วงความซึมอะไรเข้ามาคุณคุณเริ่มปล่อยไปตามนั้นเนเนเนๆนเนะคุณเสร็จไปเรื่อยๆแล้ว <ๆ S 2> เขาเรียกว่าตอดโดนตอดไปเรื่อยๆแล้วเพราะคนนั้นจะสั่งสมอันเนี้ยสั่งสมสั่งสมสั่งสมสั่งส ม, สงสม เพราะนั้นคราวนี้อาตมาถึงบอกใครยิ่งสั่งสมมากเท่าไหร่พอเวลาเราจะต้องมาฝืนใ จ, จต้องมาสู้กับมันเนี่ยโอ้โหคุณแทบสู้ไม่ไหวเลยนะคุณแทบสู้ไม่ได้ที่อาตมายกตัวอย่างไอความง่วงเนี่ยเพราะว่ามันชัดขนาดอาตมาเองเนี่ยพยายามจะมีสติพยายามรู้ตัวนะแต่นี้ไปนั่งทํางานเ น, เนี่ยหลังฉันเสร็จขณะล้างฉันเสร็จเนี่ยอาตมาบางทีมันยังพยายามนะ แหมพยายามบริหารร่างกายพยายามเดินอะไรทั้งๆที่ก็บอกว่ากินแล้วอย่าไปออกกําลังกายอะไรนะแต่เราก็อันนั้นเรื่องของเขาอะ่ะแต่เราจะสู้กับความง่วงอะ่เะเพราะฉะนั้นพอจันอาหารอะไรเสร็จแล้วก็บางทีเดินเดินแขวงแขนแ น, นะยี่สิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยโอ้พยายามให้มันตื่นไว้ก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทํางานเนี่ยขนาดอย่างนี้นะบางวันเนี่ยโอ้โหยังไปไม่รู้เรื่องเลย <laughs> นั่งตัว บันทึกให้เด็กนักเรียนบ้างหรือพวกเราบางคนมาส่งบ้างเนี่ยและมาตรวจให้เนี่ยวันไม่ต้องแปลกใจนะถ้าคราวไหนตัวหนังสือมันโยโย่เย่เน ย, ะยะนะไม่ต้องแปลกใจว่าโอ้โหวันนั้นมันเข้ามาหนักเลยจนกระทั่งพยายามแล้วบางทียังเสร็จมันเลยนะหลับแต่มันหลับอยู่ข้างในบอกแล้วยางเงี้ยยังบ่อยเลยนะจนกระทั่งอบางทีพอเอ้ยได้สติขึ้นมา โอ้โหต้องรีบเลยต้องรีบไปล้างหน้าล้างตาต้องรีบลุกขึ้นเดินรีบอะไรถ้าไม่รีบนะถ้าคาวไหนถ้ามันไม่หนักมากเนี่ยเราก็เอ้ยไม่ลุกอะ่ะไม่ไปนั่งอยู่กับที่นั่นแหะสลัดหัวหน่อยอะไรหน่อยอะไรอะ่ะเอียวซ้ายเอียวขวาหน่อยเอาแล้วเดี๋ยวทาต่อถ้ามันไม่มากเออบางทีแก้ได้แต่ถ้ามันมากนะบางทีคุณทําอย่างงี้แล้วก็เขียนใหม่เดี๋ยวเอาอีกแล้วไปอีกแล้วจนกระทั่งบางทีามาโอ้โหเสียเวลาเป็น เป็นครึ่งชั่วโมงกันนะบางทีสี่เวลาเนี่ยมันมันโดนมันตอดอยู่อย่างเงี้ยสี่เวลาไปเป็นครึ่งชั่วโมงนะจนกระทั่งในสุดบางทีเนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วต้องลุกจนได้ต้องลุกไปล้างหน้าล้างตาถึงจะหายวันอะไรนี่ยกตัวอย่างแค่เรื่องนอนแต่นี่เรื่องอื่นก็ตามนะถ้าคุณไปติดมาเนี่ยอาจารย์มันบอกคุณจะไม่รู้เลยนะ ว่าไอ้ตัวพวกนี้นี่มันโอ้โหมันอยู่กับเราจนกระทั่งกิเลสมันกลายเป็นเราเรานึกว่าเรากับมันเป็นคนคนเดียวกันเราจะนึกอย่างนั้นเลยทั้งที่ความจริงไม่ใช่พ่อท่านก็พูดบ่อยว่ามันเป็นแขกแขกจอนเข้ามาอยู่อยู่จะมาสิงสู่ในจิตเราวันถ้าเราเอาจริงเราตั้งใจจริงเราจะขับออกได้เราจะไล่ออกได้แต่ถ้าไม่ตั้งใจจริงเนี่ยไม่สําเร็จหรอก แล้วพอมันฝ an ังนานเข้านานเข้านานเข้ามันจะเป็นตัวติดย yeah, ึดของเราซึ่งการติดยึดนั้นน่ะก็บอกแล้วมันจะกลายเป็นความดื้อด้านของจิตเราเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นความดื้อด้านของจิตเราเลยเพราะฉะนั้นพอมันถึงขั้นดื้อด้านแล้วเนี่ยคือมันทั้งดื้อแล้วก็ทั้งด้านว่าด้านเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกตัวจะยากด้านเนี่ยมันจะหมดความรู้สึกไปเรื่อยๆนะ คือจะขาดสติสัมปชัญญะไปเรื่อยๆนะเพราะเราจะไม่ค่อยรู้ตัวนะไอ้ดื้อนี่ก็เพราะว่ามันด่านนแล้วมันไม่รู้ตัวมันก็คิดว่าโดยเฉพาะคิดว่าตัวเองดีดีดีใช่ไหมมันก็จะทําแต่ไอ้ตามที่คิดเพราะฉะนั้นการเอาตามใจจะแก้ไม่ได้เพราะบางคนเนี่ยที่แก้การเอาตามใจไม่ได้เพราะเพราะยึดอยู่อย่างนี้แหละวันไหนนที่สุดแล้วเนี่ยจะแก้ตรงนี้ได้ก็ต้องหัดมาฝืนใจ โดยเฉพาะเรื่องไหนที่เราไปติดติดติดติ ด, ต, ดติดเอาไว้บอกแล้วยังไม่ต้องไปพูดถึงติดดีอะเอาแค่ไอติดไม่ดีเนี่ยแหละที่เรารู้ว่าอะไรที่ยังติดไม่ดีอยู่พูดไม่ค่อยดีบ้างนะบางทีตามองคนก็ไม่ค่อยดีตาเนี่ยลูกตาเนี่ยมองคนเน่ะรู้สึกมองไม่ค่อยจะเป็นมิตรเลยนะหรือบางทีหน้าตาเราเนี่ยเจอใครก็ไม่ค่อยจะเป็นมิตรเลยเราก็รู้อยู่ แลคุณฝึกสิคุณฝึกปรับมันอย่าให้หน้ามันด้านนอย่าให้หน้ามันด้านมันด้านแล้วมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้ามันด้านเสร็จแล้วมันต้องให้เพิ่มความรู้สึกมันเพราะฉะนั้นคนที่ที่หน้าด้านแล้วเนี่ยเขาให้เขาต้องให้ทําไงเขาต้องให้มานวดหน้าคุณรู้ปะเขาต้องให้นวดหน้าให้เลือดมันเดินน่ามันจะได้อะไรอ่ะเลือดลมเดินได้บ้างเออหัดยิ้มแย้มแจ่มใสหัดเออทําหน้าให้มันอะไรอ่ะ เขาเรียกแปววแหววหน่อยอะนะแจวแหววหน่อยให้คนเออดูแล้วมันก็เออดีขึ้นดีกว่าที่จะแหมหน้าตึงหน้าเสียอะไรนี่ยกตัวอย่างเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเราชักด้านชาแล้วนะเรื่องนั้นให้รู้ตัวเลยว่าเรื่องนั้นคุณยิ่งต้องแก้ให้จงหนักถ้าคุณไม่แก้ให้หนักบอกได้เลยถ้ามันด้านมากๆเข้าต่อจากด้านขึ้นไปอีกเป็นอะไร ต่อจากด้านยืบไปอีกมันจะเป็นอะไรฮ <c oughs> ด้านนี่มันจะบางบางส่วนเองใช่ไม้มบางไอ้นั่นเองบางทีอะสือว่าถ้าถ้าถ้าหนังด้านอย่างเงี้ยมันก็ก็แค่อันที่อาจจะภายนอกใช่ไหมภายในอาจจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมถ้าหนักกว่าแค่ด้านนี่คืออะไรโหชา <c oughs> ชาที่มันยังมีความรู้สึกนะบางทีนะ เออเอ่อไม่มีความรู้สึกก็บ้างอแต่ว่าลึกๆบางทีมันยังมีความรู้สึกใช่ไหมชาเนี่ยเอาลึกกว่านั้นอีกอะฮะตายด้านาา น, นะตายด้านเลยนะนั่นแหละคุณเสร็จเลยนะคราวนี้ไม่รู้อีกกี่ชาตินะคุณถึงจะมาแก่ไอ้กิเลส ต, ตัวนี้ได้ถ้าถึงขั้นนั้นเพรา ะ, ะนั้นอย่าอย่าถึงให้มันตายด้านไปเลยนะมันแค่ชามันแค่อะไรพวกนี้คุณยังมีสิทธิ์ ที่จะแก้ได้นะก็หวังว่าพวกเรานะพยายามก็แล้วกันไปดูให้ได้ไปรู้ให้ชัดว่าตัวไหนบ้างที่เรายังดือด้ออยู่ยังชอบดือด้ออยู่นะแล้วก็สู้สู้ให้จริงๆกับตัวนั้นนะไม่มีกิเลส ต, ตัวไหนหรอกที่เราจะสู้ไม่ได้ยกเว้นว่าเราไม่สู้เท่านั้นเองนะถึงจะสู้ไม่ได้เพราะถ้าใครสู้จริงๆแล้วเนี่ยกิเลสทุกตัวเราจะชนะได้ในที่สุด ทุกตัวอ้อาววันนี้คงฝากไวท้ทา่นี้นะ